คมว่าชนเหล่าใดถือทิถิแล้วย่อมวิวาทกันมีความว่าชนเหล่าใดถือคือยึดถือจับถือถือเอาถือมั่นยึดมั่นซึ่งทิถีหกสิบสอประการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วความวิวาดกันคือทําความทะเลาะความหมายมั่นความแก่งแย่งความวิวาทความมุ่งร้ายกันว่าท่านไม่รู้ธรรมะวินัยนี้เรารู้ธรมนนะ ร, ธรมะวินัยนี้นะเราทะเลาะกันนะท่านจักรู้ธรรมวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดเราปฏิบัติชอบ คำของเรามีประโยชน์คำของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรกล่าวก่อนท่านกล่าวทีหลังคำที่ควรกล่าวทีหลังท่านกล่าวก่อนคำที่คล่องแคล่วท่านกลับขัดข้องไปเราใส่โทษท่านได้แล้วท่านเนี่ยถูกเราปราบแล้วท่านจงเที่ยวไปหรือจงแก้ไขเพื่อเปลื้องวาทะถ้าท่านสามารถเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าชนเหล่าใดถือทิฏฐิแล้วย่อมวิวาทกันนะน เ ข, ขลาข่มข่มอีกฝ่ายหนึ่งนะพอตัวเองชนะก็ก้มอีกฝ่ายหนึ่งคําว่าและย่อมกล่าวว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงดังนี้มีความว่าย่อมกล่าวคือย่อมพูดบอกสแสดงแถลงว่าโลกเที่ยงสิ่งนี้จริงนะสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าย่อมกล่าวว่าโลกไม่เที่ยงนะนะจถึงสงครามทิฏฐินะอย่างทิฏฐิสิเนี่ยยกมาเป็นตัวอย่างเขาก็ทะเลาะกันแก่งแย่งกันออย่างนี้เท่านั้นแหละใช่อย่างอื่นไม่ใช่หรอกเหมือนกัน คำว่าท่านจงกล่าวกับชนเหล่านั้นคือไปกล่าวกับพวกเจ้าละที่เหล่านั้นเพราะกิเลสที่ทำความขัดขวางกันในเมื่อวาทะเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่มีในที่นี้มีความว่าท่านจงกล่าวกับชนเหล่านั้นคือเจ้าทิฐิคือท่านเนี่ยจงทำความข่มด้วยความข่มทำกรรมตอบด้วยกรรมตอบทำกรรมแปลกด้วยกรรมแปลกทากรรมแปลกเฉพาะด้วยกรรมอันแปลกเฉพาะท่านทาความผูกมัดด้วยความผูกมัด ทำความปลดเปลื้องด้วยความปลดเปลื้องทำความตัดด้วยความตัดทำความขนาบด้วยความขนาบชนเหล่านั้นเป็นคนกล้าที่ที่เป็นศัตรูเป็นบุรุษที่เป็นปฏิปักษ์เป็นศัตรูที่เป็นปฏิปักษ์เป็นนักรบที่เป็นปฏิปักษ์ต่อท่านเพราะฉะนั้นท่านจงไปกล่าวกับชนเหล่านั้นนะใครที่ตั้งตัวเป็นศัตรูกับท่านนะท่านไปรบกับพวกนั้นไป คำว่าเพราะกิเลสที่ทําความขัดขวางกันในเมื่อวาทะเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่มีในที่นี้ความว่าเมื่อวาทะเกิดขึ้นที่ที่เกิดขึ้นนะความเกิดพร้อมบังเกิดเฉพาะปรากฏแล้วกิเลสเหล่าใดที่ทําความขัดขวางกันความขัดแย้งกันความเป็นเสี้ยนน้ํากันความเป็นปฏิปักษ์กันพึงทําความทะเลาะไม้มั่นแก่งแย่งวิวาทมุ่งร้ายกันกิเลสเหล่านั้นย่อมไม่มีคือย่อมไม่มีเพร้อมไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้ ย่อมเป็นบาปประทำอันตรถาคตเนี่ยละตัดขาดสงบประงับทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสแล้วด้วยไฟคือยานเพราะฉะนั้นท่านจงกล่าวกะชนเหล่านั้นเพราะกิเลสที่ทําความขัดขวางกันในเมื่อวาทะเกิดขึ้นแล้วไม่มีในที่นี้นะสรุปว่าถ้าหากว่าท่านอยากจะทะเลาะอยากจะวิวาสอยากจะแก่งแย่งชิงดีกันนะนะก็ไปหาพวกเดียวกันสงครามน้ําลายอย่างเงี้ยไม่มีในที่นี้หรอกเพราะพระพุทธเจ้าละกิเลสเหล่านั้นหมดแล้วเหมือนกัน คถาต่อไปว่าก็พระอรหันตะขีนาศเหล่าใดกําจัดเสนาแล้วไม่กระทบทิฐิด้วยทิฐิย่อมเที่ยวไปดูก่อนประสูระท่านพึงได้อะไรในพระอรหันตะขีนาศเหล่านั้นผู้ไม่มีความถือว่าสิ่งนี้ประเสริฐคือพระอรหันต์เนี่ยท่านละเรื่องทิฐิเอ่อท่านละเสนาคือกิเลสได้หมดแล้วเนี่ยนะแล้วก็ไม่กระทบทิฐิด้วยทิฐิเที่ยวไปคือท่านละทิฐิได้หมดแล้วอะ เพราะฉะนั้นจะได้ประโยชน์อะไรในเมื่อกมามาพูดมาคุยในพาะอรหันต์อย่างงี้นะเพราะว่าพระอรหันต์ไม่มีความยึดถือไอท้ทิฏฐิเราใดว่าประเสริฐเลยสักอย่างนะเหมือนกับว่าเอาไก่มาชนกันกับคนที่เลิกเลี้ยงไก่แล้วไงไม่ได้มีประโยชน์อะไรอนะอธิบายว่าก็พระอรหันตะขีนาศเราใดกําจัดเสนาเ แ, แล้วย่อมเที่ยวไปความว่ามารเสนาเรียกว่าเสนา ก็คืออะไรก็คือความชั่วทางกายความชั่วทางวาจาความชั่วทางใจเนี่ยนะเรียกว่าเสนามารราคะโทสะโมหะความโกรธความผูกโกรธความลบหลูตีเสมอความริษยาความตะนีความลวงความโอ้อวดความกระด้างความแข็งดีความถือตัวดูหมิ่นความเมาประมาทกิเลสทั้งปวงทุจริยความกวนกวายความเร่าร้อนความเดือดร้อนทั้งปวงเนี่ยอกุสลาภิสังขารทั้งปวงเนี่เป็นเสนามารนไ ก็คือที่พระองค์ตรัสว่ากิเลสกามเรากล่าวว่าเป็นกองทัพที่หนึ่งของท่านอารติเป็นกองทัพที่สองเป็นต้นเนี่ยนะว่าคนกล้าจะชนะไอ้เสนามานอย่างนี้ได้เพราะมารเสนาทั้งหมดและกิเลสอันทําความเป็นปฏิปัติทั้งหมดอันบุคคลชนะแล้วไม่แพ้แล้วทําลายแล้วกําจัดแล้วทําให้สู้หน้าไม่ได้แล้วด้วยอริยมรรคเพราะฉะนั้นบุคคล น, นั้นเป็นผู้กําจัดเสนาแล้วนะ่ยนะ คือพาหันเนี่ยท่านกำจัดเสนาคือสมุทัยศัตร์กิเลสบาปอากุศลทุกชนิดได้เรียบร้อยบริบูรณ์แล้วคำว่าเหล่าใดก็คือพาหันตขีนาศคำว่าย่อมเที่ยวไปได้แก่ย่อมเที่ยวไปอยู่ผัดเปลี่ยนอิรยาบทประพฤติรักษาเป็นไปยังอัตภาพให้เป็นไปคำว่าไม่กระทบทิถฐิด้วยทิฐิความว่าทิฏฐิห อันผ้ารหันตะขีนาศบเหล่านั้นเนี่ยละแล้วตัดขาดสงบประงับแล้วทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสียแล้วด้วยไฟคือยานผ้ารหันตะขีนาศพเหล่านั้นไม่กระทบคือไม่กระทั่งไม่บันรอนไม่ทําลายทึ่งทิฐิด้วยทิถิคือพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาเรื่องทิถิมาถกกันเรื่องทิถีรอกเหมือนกันดูก่อนปัสุระท่านพึงได้อะไรในพผ้ารหันตะขีนาศบเหล่านั้นดูก่อนท่านผู้กล้าคือปัสุระเนี่ยนะ เป็นปฏิปัติคือเป็นบุรุษปฏิปักษเป็นศัตรูปฏิปักษเป็นนักรบปฏิปัติท่านพึงได้อะไรในพระหันตขีณาศพเหล่านั้นคือถ้ามาทะเลาะ ก, กับคนที่ละทิถีได้หมดแล้วจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเนี่ยนะคำว่าผู้ไม่มีความถือว่าสิ่งนี้ประเสริฐความว่าความถือความยึดมั่นความติดใจความน้อมใจไปว่าสิ่งนี้ประเสริฐคือเลิศเป็นใหญ่วิเศษเป็นประธานสูงสุดบวร ย่อมไม่มีคือย่อมไม่ปรากฏไม่เข้าไปได้แก่พระอรหันตะขีนาศบเหล่าใดคือเป็นกิเลสอันพระอรหันตขีนาศนั้นอะละตัดขาดสงบระงับแล้วทําให้ไม่ควรเกิดขึ้นเผาเสร็จแล้วด้วยไฟคือยา น, อนพระอรหันเนี่ยท่านละทิฐิได้หมดแล้วอะนะท่านตรึกคิดถึงทิฐิทั้งหลายด้วยใจมาแล้วมาแข็มแข่งคู่ด้วยพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาชื่อว่าโทนา ท่านไม่อาจจะเทียมทันได้เลยไอ้ท่านตรึกเรื่องทิฏฐินะเนื่องจากมีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วก็มิจฉาสังกปะตรึกครุ่นคิดในเรื่องทิฏฐิเนี่ยนะครุ่นคิดมาเหลือเกินเนี่ยท่านจะมาแข่งกับพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาไม่อาจทันกันหรอกเนี่ยนะมันกุลเรื่องเลยนะไอ้ทิฏฐิของท่านท่านคิดเนี่ยนะเหมือนกับว่าท่านจินตนาการสร้างมิมานในอากาศแล้วมาสู้รบกับคนที่รู้ความจริงอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันชนะกันไม่ได้หรอก คำว่าท่านตรึกมาแล้วมีความว่าท่านตรึกตรองดำเ็ชคือตรึกตรองดำเ็กอย่างนี้ว่าเราจากมีชัยหรือจากปราชัยเนอเราจากข่มเขาอย่างไรเราจากทำลายลัทธินะเราจากทาลัทธิของเราให้เชิดชูได้อย่างไรจากทาลัทธิของเราให้วิเศษอย่างไรจากทาลัทธิของเราให้วิเศษเฉพาะได้อย่างไรจากทาความผูกพันเขาอย่างไรจากทาความปลดเปลื้องเขาอย่างไรจากทาความตัดรอน วาทะเขาอย่างไรจักขนาบวาทะเขาได้อย่างไรอันนี้เป็นผู้มาแลว้วคือไปตรึกไปคุ่นคิดอยากจะสัต์พระพุทธเจ้าด้วยทิฏเนี่ยนะโดยวาทะเนี่ยแหมคิดมานานคิดถึงทิฐิด้วยใจนะคิดถึงทิฏทิที่ททั้งหลายด้วยใจคำว่าใจคือจิตใจมณัตตาไทยปันตะมะนะมนายตนะมนินรีวิญญาณขันวิญญาณวิญญาณขันมโนวิญญาณธาตุที่เกิดแต่ภาษาเป็นต้น ท่านนึกคิดคิดถึงทิฏฐิทั้งหลายด้วยจิตว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยง น, นะชีวก็อนนั้นสรีระก็อันนั้นเนี่ยนะโลกมีที่สุดโลกไม่มีที่สุดเป็นต้นเนี่ยก็เพราะฉะนั้นเรื่อคิดถึงทิฏฐินะครุ่นคิดในเรื่องทิฏฐิต่างๆเพราะฉะนั้นท่านมาแข่งคู่ด้วยพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาชื่อว่าโทนาท่านไม่อาจเทียมทันได้เลยปัญญาเรียกว่าโทนานะก็คือปัญญาความรู้ความรู้ทั่ว จนถึงความไม่หลงความเลือกเฟ้นความเห็นชอบสัมมาทิฏฐิเนี่ยนะถามว่าเพราะเหตุไรปัญญานั้นจึงชื่อว่าโทนาก็เพราะว่าปัญญานั้นกําจัดชําระชะล้างฟอกซึ่งกายทูตุจริฏฐิจีทุจริฏฐิมนูทุจริฏฐิชระชักล้างฟอกอ่านะความกโกรธความผูกโกรธความลบหลู่ตีเสมอความริษยาเป็นต้นนะนะตลอจนถึงอกุสลาภิสังขารหรืออีกในหนึ่งสัมมาทิฏฐิเป็นเครื่องชําระซักฟอกมิจฉาทิฏฐิอ่านะก็คือสัมมามัต ชำระสักฟ อ, อกอมิจฉามักสัมมาญาณนะสัมมาวิมุตติก็เป็นเครื่องชำระล้างซักฟ อ, อกอมิจฉาญาณะมิจฉาวิมุตต่อีกอย่างหนึ่งอริยมัชฌมีองค์แปดเป็นเครื่องกําจัดล้างชำระสักฟ อ, อกซึ่งอกุศลทั้งปวงทุจริตทั้งปวงความกวนกวายทั้งปวงความเร่าร้อนทั้งปวงความเดือดร้อนทั้งปวงอะปุสลาพิสังขารทั้งปวงพระพุทธเจ้าทรงข้ามทรงเข้าถึงเข้าถึงพร้อมเข้าไปพร้อม เข้าชิดเข้าชิดพร้อมประกอบแล้วด้วยธรรมะอันเป็นเครื่องกาจัดเหล่านี้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยประกอบไปด้วยสุจริตเนี่ยนะมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นด้วยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเด่นอะไรพันพระองค์เนี่ยชระสักฟอกล้างบาปอากุศลได้หมดเกลี้ยงแล้ววะนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงชื่อว่ามีปัญญาเป็นเครื่องกาจัด พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงกำจัดราคะบาปกิเลศความเร่าร้อนเสียแล้วจึงชื่อว่าพระองค์นี้มีปัญญาเป็นเครื่องกำจัดเนี่ยนะกำจัดบาปอากุศลทุกชนิดเนี่ยนะคำว่าท่านมาแข่งคู่ด้วยพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาชื่อว่าโทนาท่านไม่อาจจะเทียมทันได้เลยความว่าปสุระปริภาชกไม่อาจจะมาแข่งมาแข่งคู่คือมาเพื่อจับคู่เพื่อสนทนาปราศัยโต้ตอบกับพระพุทธเจ้า ผู้มีปัญญาชื่อว่าโทนาข้อนั้นพอเหตุไรเพราะปะสูระปริพาชกเนี่ยเป็นคนเลวคนสามต่าช้าสกรปรกต่าต้อยส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นน่ะเป็นผู้เลิศประเสริฐวิเศษบวรเป็นประธานปสูราปริพาชกไม่อาจจะมาแข่งคู่คือไม่อาจจะมาเพื่อจับคู่เพื่อสนทนาปราศัยโต้อตอบกับพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาชื่อว่าโทนา เปรียบเหมือนกระต่ายไม่อาจมาแข่งคู่คือไม่อาจเพื่อจะมาจับคู่กับช้างใหญ่ทรัพมันนะกระต่ายสู้กับช้างเป็นไมได้ไงเหมือนสุนัขจิ้งจอกไม่อาจจะมาแข่งคู่กับสีหะมรุราดนะหมาเนี่ยจะไปสู้กับราชาสีได้ยังไงเหมงนแค่ได้รู้ว่าราชาสีมันก็โอ้ยตื่นเต้นหมดแล้วเหมือนลูกโคตัวยังเล็กยังไม่อดนมไม่อาจจะแข่งคู่มาเพื่อจับคู่โคที่มีกาลังมาก เหมือนกาไม่อาจจะมาแข่งคู่คือมาเพื่อจับคู่กับครุดเวรตายอย่างนั้นเอากามาแข่งกับครุดจะเป็นไปได้ยังไงเหมือนกับคนจันทานไม่อาจมาแข่งคู่มาเพื่อจับคู่กับพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วก็เหมือนปีศาจเล่นฝุ่นปีศาจคลุกฝุ่นไม่อาจจะมาแข่งคู่มาเพื่อจับคู่กับพระอินทร์ผู้เทวราชฉะนั้นราะนั้นพระเฮไรเพราะประสูระปริภาชกเนี่ยเป็นคนมีปัญญาเลวมีปัญญาสามมีปัญญาต่าช้า มีปัญญาลามกมีปัญญาศกปรกมีปัญญาต่ําต้อยส่วนพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอ่ะมีปัญญามากมีปัญญากว้างขวางมีปัญญาร่าเริงมีปัญญาเล่นมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาชําแรกกิเลสฉลาดในประเภทแห่งปัญญามีปัญญาแตกฉานทรงบรรลุปฏิสัมพิธาทรงถึงเวสาลัชยานสี่ทรงทศพลยานสิบเนี่ยนะเป็นบุรุษองค์อาเป็นบุรุษสีหะเป็นบุรุษอาชาใน เป็นบุรุษนำธุระไปมียานหาที่สุดไม่ได้มีเดชหาที่สุดไม่ได้มียศหาที่สุดไม่ได้เป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีปัญญาเป็นทรัพย์เป็นผู้นำเป็นผู้แนะนําเป็นผู้นําไปเนืองๆให้รู้จักประโยชน์ให้เพ่งพินิษเป็นผู้เห็นประโยชน์เป็นผู้ให้แล่นไปอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงธทำ ม, มักคืออารย ม, มักเนี่ยนะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น ทรงทำมัชที่ยังไม่เกิดพร้อมให้เกิดพร้อมตรัสบอกมัชที่ไม่มีใครตรัสบอกทรงรู้มัชทรงรู้แจ้งมัชทรงฉลาดในมัช ก, ก็แหละบัดนี้พระสาวกทั้งหลายของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นดําเนินตามมัชอยู่เป็นผู้ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทศานะัศนคุณในภายหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ทรงเห็นธรรมะที่ควรเห็น พระผู้มีพระภาคเจ้ามีจักษุมีพระยามีธรรมะเป็นพรหมเป็นผู้ตรัสบอกเป็นผู้แนะนำเป็นผู้นำออกซึ่งอัฏฐเป็นผู้ให้อมตะธรรมเป็นธรรมสามีเป็นพระตถาคตสิ่งที่ไม่รู้สิ่งที่ไม่เห็นสิ่งที่ไม่ทราบชัดสิ่งที่ไม่ทำให้แจ้งสิ่งที่ไม่ได้ถูกต้องด้วยปัญญาย่อมไม่มีแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ธรรมะทั้งปวงรวมทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันย่อมมาสู่คลองในมุกคือพระยานของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระพุทธเจ้าโดยอาการทั้งปวงชื่อว่าประโยชน์ที่ควรแนะนําทุกอย่างอันชนควรรู้มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าประโยชน์ต้นประโยชน์ลึกประโยชน์ลี้ลับประโยชน์ตกปิดประโยชน์ที่ควรแนะนําประโยชน์ที่บัณฑิตแนะนําแล้ว ประโยชน์ที่ไม่มีโทษประโยชน์ที่ปราศจากกิเลสประโยชน์พองแผ้วประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์นั้นทั้งหมดย่อมเป็นไปในภายในพระยานของพระพุทธเจ้ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทั้งหมดย่อมเป็นไปตามพระยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระพุทธเจ้ายานของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระพุทธเจ้ามิได้ขัดข้องในอดีตอนาคตปัจจุบันบทธรรมที่ควรแนะนํามีเท่าใดพระยานก็เท่านั้น พระยานเท่าไรบทธรรมที่ควรแนะนำก็เท่านั้นพระยานมีส่วนสุดรอบแ่งบทธรรมที่ควรแนะนำบทธรรมที่ควรแนะนำก็มีส่วนสุดรอบแห่งพระยานพระยานย่อมไม่เป็นไปเกินบทธรรมที่ควรแนะนำทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็ไม่ได้เกินพระยานไปธรรมะเหล่านั้นตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันอุปมาเหมือนเมื่อชั้นพระอบสองชั้นเนี่ยนะปิดสนิทพอดีกัน ชั้นพระอบข้างล่างก็ไม่เกินชั้นพระอบข้างบนชั้นพระอบข้างบนก็ไม่เกินชั้นพระอบข้างล่างชั้นพระอบทั้งสองเนี่ยตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันฉันใดบทธรรมที่ควรแนะนำก็ดีพระยานก็ดีของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันบทธรรมที่ควรแนะนำเท่าใดพระยานก็เท่านั้นพระยานเท่าใดบทธรรมที่ควรแนะนาก็เท่านั้น พระยานมีส่วนสุดรอบแห่งบทธรรมที่ควรแนะนําก็มีส่วนสุดรอบแห่งพระยานพระยานย่อมไม่เป็นไปเกินบทธรรมที่ควรแนะนําทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนําก็มิได้ไปเกินพระยานธรรมะเหล่านั้นตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันก็ฉันนั้นนะเพราะนั้นเรียกว่าสิ่งที่ควรรู้มีประมาณเท่าใดเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้หมดเหมือนกันพระยานของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระพุทธเจ้าย่อมเป็นไปในธรรมะทั้งปวง ธรรมะทั้งปวงเนื่องด้วยความนึกพระพุทธเจ้านั้นอยากรู้อะไรนึกก็รู้หมดเลยว่างั้นอาวัชน ะ, ะรู้หมดอ่ะเนื่องด้วยความหวังเนื่องด้วยมนสิยการเนื่องด้วยจิตตุบาท úa. แค่นึกถึงก็ได้แล้วรู้แล้วแห่งพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระพุทธเจ้าพระยานของพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสัตว์ทั้งปวงพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมทรงทราบอัธยาศัยอนุสัยจิริทิมุต ھ, แห่งสัตว์ทั้งหลาย อั น, น, นพระองค์ก็รู้ด้วยอาสยานุสยายานเนี่ยไม่มีเหลือย่อมทรงทราบซึ่งเหล่าสัตว์ผู้มีทุลีคือกิเลสน้อยในจักสุมีทุลีคือกิเลสมากในจักสุมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการทรามให้รู้แจ้งได้ด้วยง่ายให้รู้แจ้งได้ด้วยยากเป็นพระส菩萨หรืออภสั萨ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกมูสสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณ พระพุทธานนี่รู้รอบครอบคลุมไม่มีส่วนเลือนะะมกระทั่งพระ菩萨ก็คื อ, อสัตว์ที่ควรพอบรรลุได้อภาภัสสัตก็คือบรรลุไม่ได้นี่นะอุปมาเหมือนว่าปลาและเต่าเหลาใดเหล่าหนึ่งรวมทั้งปลาติมิปลาติมิงคละปลาติมิมิงคละเป็นไปที่สุดย่อมเป็นไปภายในมหาสมุดฉันใด โลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปในภายในพระพุทธยานฉันนั้นเหมือนกันพระพุทธยาณนี้รู้รอบครอบคลุมหมดอะนะอุปมาเหมือนว่านกเหล่าใดาเหล่าหนึง่งรวมทั้งครุดเวนไตเป็นที่สุดย่อมเป็นไปในประเทศอากาศนกมันจะบินที่ไหนพ้นอากาศฉันใดพระพุทธสาวกทั้งหลายผู้เสมอกับพระสารีบุตรเทระด้วยปัญญาแม้เหล่านั้น ก็เป็นไปในประเทศแห่งพระพุทธยานฉันนั้นเหมือนกันนะปัญญาของใครก็ช่างเออโดยที่สุดปัญญาของพระพุทธเจ้าก็ไม่ล่วงเลยเกินปัญญาของพระพุทธเจ้าไปได้หรอกพระพุทธยานย่อมแพ่คลุมปัญญาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตั้งอยู่พวกบัณฑิตผู้เป็นกษัตริย์พราหมณเครือหบดีสมณะมีปัญญาละเอียดรู้วาทะของผู้อื่นเปรียบเหมือนานายขมังธนูิยงยิงขนหางสัตว์แม่นเที่ยวไป ดุดทำลายทิฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาของตนบัณฑิตเหล่านั้นก็ปรุงแต่งปัญหาเข้าไปเฝ้าพระตถาคตแล้วก็ทูลถามปัญหาอ น, นะพวกนักคิดคนฉลาด ก, ก็คิดปัญหาเนี่ยนะไปเพื่อโต้ตอบกับพระพุทธเจ้าปัญหาเหล่านั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสย้อนถามแล้วตรัสแก้แล้วเป็นปัญหามีเหตุที่ ท, ทรงแก้ไขทรงแสดงเข้าใส่บัณฑิตเหล่านั้นก็ย่อมเลื่อมใสต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมภัยโรดยิ่งด้วยปัญญาในที่นั้นโดยแท้แลเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าท่านจะมาแข่งคู่ด้วยพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาชื่อว่าโทนาท่านไม่อาจจะเทียมทันได้เลยว่างั้นรสรุปว่าปสุระว่างั้นที่ท่านตรึกนึกถึงทิฏิด้วยใจมาท่านจะมาแข่งคู่ด้วยพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาชื่อว่าโทนาท่านไม่อาจจะมาเทียมทันได้เลยนะ ป ห, ห่างกันมากะนะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีทั้งอ่านะมีพระคุณอย่างที่กล่าวไปเป็นผู้ที่มากไปด้วยปัญญาแตกฉานในปัญญา ต, ต, ตรัสรู้อริยมรรคเนี่ยนะแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถแนะนำชี้แจงประโยชน์ทุกอย่างพระองค์เนี่ยรู้ทั้งหมดเนี่ยนะสิ่งที่รู้สิ่งที่ควรรู้มีประมาณเท่าใดพระยานของพระองค์ก็มีประมาณเท่านั้นพระองค์เนี่ยนึกอยากจะรู้อะไรก็นู้ได้ทันทีไม่มีการขัดข้อง เรื่องจริตนิสัยอัธยาศัยของสรรพสัตว์ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกเนี่ยพระองค์รู้หมดเจ้าลทัทธิมีสติปัญญาขนาดไหนจะมาแข่งจะมาต่อสู้ไม่มีชนะเพราะพุทธเจ้าเนี่ยชี้แจงแก้ปัญหาให้เขาเหล่านั้นได้ทั้งหมดเนี่ยนะอันหลังจากนั้นปสุระทิศปริภาชก็ถอยจากไปเนี่ย